พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2555้าห้าิห้ามีชื่อเรื่องว่ารู้เห็นที่ใจวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนเจ็ด เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งถึงวันนี้ทุกวันถึงวันพระทุกวันถ้าเป็นคณะชาติญาติโยมที่อยู่ทางบ้านหรือไปอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องได้คิดอะไรถ้าเป็นพุทธมาม ก, กะเป็นผู้เชื่อมัน่นในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถึงวันพระ ทำวันรรมัทสวรรคแปดค่ำสิบห้าค่ำเราควรจะรู้จักหน้าที่ของเราถึงเราจะไม่ได้มาวัดเราอยู่ที่บ้านของเราถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเราควรจะสมาทานศีลเพว่าวิรักเจตนาคล้ายๆกับตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลตั้งแต่ตื่นนอนเช้าวพวกเราไหว้พระ กราบพระอระหังสวา่างอาโตสุปฏิปโนธรรมวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันพระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลวัสถก็ว่ารักษาศีลนโมสถคือรักษาศีลแปดเรือว่าเราจะรักษาศีลห้าในวันนี้เพราะเป็นวันธรรมสวัสดิ์เป็นวันที่พระพุทธศาสนาบัญจะให้พุทธบริษัทสี่ อย่างพวกเราที่อุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่หรือว่าเป็นผู้จะปฏิบัติเรื่องของศีลเข้าระเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีลแล้วจะตั้งจิตตั้งใจตั้งความศัตว์จะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันนี้ตลอดทั้งวันแต่ไม่ใหม่เราก็คงจะลุ่มหลง ลืมหลงไปบ้างแต่พอต่อไปเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามเราก็จะสินของเราก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งต้นหนึ่งซะก่อนจะไม่มีสองสามสี่และเมื่อเราตั้งต้นหนึ่งแล้วต่อไปภายภาคหน้ า, เ, าเราก็จะมีสองจากนั้นสินของเราก็จะบริสุดขึ้นเรื่อยๆ พระนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นครวัตญาติโยมอย่าได้ปล่อยปะละเลยจนเกินไปเพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราก็ปล่อยประละเลยมาพอสมผลแล้วเราควรจะตั้งใจใหม่ในเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็จะได้มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเราก็จะได้คิดเออเราเออมาถึงคราวนี้แล้ว อันไหนไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราแล้วนอกจากคุณธรรมศีลธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาเราก็ได้ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วเราก็ได้รักษาสินงเราก็ได้นั่งภาวนาเราได้กำหนดจิตใจของเราคราวนี้เป็นคราวที่เราจะต้องรวบรวมเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าแล้วนะอันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราสาหรับครวญญาติโยม แต่สําหรับพระสงฆ์ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันเรายังมีความสงสัยว่าโลกใบนี้จะมีความสุขอยู่เหรอเราคิดดูซิอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษย์ชาติมีไหมคิดดูให้ดีคิดดูให้ตลอดลอดฝั่งถ้าเราคิดดูให้ดีตลอดลอดฝังแล้วอันไหนคือความสุขที่แท้จริงหาไม่เจอ มีแต่ความทุกข์ไปเกาะตรงไหนก็พังทลายตรงนั้นมีอะไรคือความสุขในเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ชีวิตครอบครัวชีวิตที่เป็นกระหวัดญาติโยมหรือว่าชีวิตอย่างไหนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงใช่ไหมถ้าเราคิดดีให้ถีถถถทีทวนแล้วกันล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกทางนั้นถ้าไม่ทุก ถ้ามันสุกจริงพระพุทธเจ้าพระรหันตสาวกคงจะไม่หนีออกมาบวชคงไม่หนีออกมาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอันนี้ท่านคงจะมองเห็นทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วท่านจึงหนีออกมาพวกเรายังจะเข้าไปที่น้ําลายท่านถุยทิ้งแล้วเราจะไปกินน้ําลายท่านอีกหรือสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดตัวให้ดีทางนี้ทางนั้น เพราะหลักของพระพุทธศาสนาหรือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ความคิดให้ใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลจะทับถือสิ่งไหนก็ตามจะเชื่อจึิงไหนก็ตามเรียกว่าผมพูดไปเนี่ยผมอาจจะโน้มน้าวให้หมูพวกท่านทั้งหลายเชื่อในระยะต้นแต่ถึงยังไงขอให้พวกท่านทั้งหลายทบทวนดูให้ดี ว่ามันเป็นจริงไหมไอันนี้เพียงตัวชี้แนวทางชี้นําในแนวความคิดจากนั้นเราก็ใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจะทํำยังไงทําอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันตาสาวกพาทำนั่นสิท่านทํำยังไงท่านว่าทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจให้นื่องทำใจให้เป็นหนึ่งนะทำยังไงก็ทําสมาธิสมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธินั้นทําทอย่างไร ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเราไม่ต้องพูดทั้งสายอื่นเราพูดถึงสายหลวงปู่มั่นของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจนก็ให้เน้นเรื่องภาวนาพุทโธเป็นหลักการภาวนาพุทโธนี่ถ้าจะพูดแบบรลอยๆจะพูดตามที่ไม่จริงจังมันก็ <c oughs> เลือนลางละหลว้วอ <c oughs> หลบ ลี้นี้หายไปได้ง่ายๆละเลือนไปได้ง่ายๆหลงลืมไปได้ง่ายเผลอเลอะไปได้ไง่ายๆท่านต้องว่าให้ตั้งสติให้แ้มแข็งให้มีกำหนดจริงจังให้มีสติจริงจในลมหายจใจเข้าออกนั้นให้ตั้งสตินีไม่ใช่ว่านั่งเผลอเผอเมื่อเมือล อ, อ, อยๆยหลับหั บ, บตื่นตื่นแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องให้มีสติสมบูรณ์สติสัมปะชัญญะจากนั้นกำหนดลมหายจใจเขา้า หายใจออกให้จริงจั ง, บ, งบังคับเขาถึงขั้น บ, บับงคับบังคับให้ใจไม่ให้ใจหลุดไปทางอื่นให้ใจอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธเป็นหลักจากนั้นเมื่อเราเอาจริงจังหลายครั้งต่อหลายหนเอตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ข้าพเจ้าจะพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะไม่ให้เผลอตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นอีกต่างหาก จะพยายามไม่ให้เผลอเวลาเดินจงกรมถ้านั่งเหนื่อยแล้วเดินจงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายโถเราจะไม่ให้เผลอต้องตั้งจิตให้แน่วแน่อย่างนั้นจากนั้นเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมั่นอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่วันใดก็วันหนึ่งเวลาใดก็เวลาหนึ่งใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนิ่ง เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นพื้นฐานเราก็รู้ได้ว่าวิธีการทำสมาธิหรือวิธีการทำจิตให้สงบนั้นทำอย่างไรแต่เราจะได้ทุกครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้นะเป็นครั้งหนึ่งจบแล้วก็เราไม่ต้องเอาผลงานวันนั้นไม่ต้องเอาอีกแต่กาหนดไปเรื่อยๆมันจะสงบหรือมันไม่สงบเราไม่ต้องคิดมันแต่เมื่อเราทาถูกทางแล้วมันจะสงบเอง ในเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราก็นํำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสนาในแหละวิธีการของพวกเราอันดับแรกก็คือสมถะก่อนสมัตคือทาจิตใจให้สงบก่อนจากนั้นค่อยเดินวิปัสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาธาตุสีพิจารณาอสุภะปฏิคูลพิจารณาแยกแบ่งส่วนของร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกชาลายออก ร่างกายของเรากำหนดชํำแล้วให้เราพิจารณาดูร่างกายของเราในเมื่อเราดูร่างกายของเราแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราพิจารณาดูของร่างกายของคนอื่นเปรียบเทียบเขาเราเราเขาการล้วนแล้วจะเป็นของอสุภะปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นไม่มีของจีือรังถาวร อ, อีกสักวันหนึ่งก็จะต้องแตกสลาย ลงสู่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานได้อีกสักวันหนึ่งก็จะต้องแตกอันนี้คือใจของเราตัวผู้รู้ของเรานา ม, มาธรรมของเราให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นในร่างกายดูให้ดีกายใจสรุปแล้วก็คือนา ม, มาธรรมรูปธรรมนา ม, มาธรรม ใช้นามธรรมดูรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจคือตัวผู้รู้เอาตัวนามธรรมกำหนดหรือพิจารณาดูรูปธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนามธรรมตัวนั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายเห็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาร่างกายสังขาร ไม่จิรังถาวรอีกสักวันหนึ่งต้องถึงจุดจบไม่ว่าถาดไหนขันไหนรูปประกายไหนจะเป็นรูปร่างกลางตัวใหญ่เล็กขนาดไหนเท่าแก่ชราหนุ่มสาวก็ถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งเมื่อเห็นอเนิจังของไม่เที่ยงอย่างนั้นแล้วเราก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของเราใจของเราเป็นรุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นทไม ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะแตกสลายอยู่แล้วสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงก็คงจะเป็นลักษณะไม่แพ้กันกับของเรานเมื่อเห็นของเราของเขาของเขาของเราเปรียบเทียบกันอย่างนั้นแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโล ก, กเป็นของเราได้อย่างไรก็เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทุกขังคืออนิจจง อันในจังคือของไม่เที่ยงทั้งหลายทั้งมวลสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือการพิจารณามันจะย่นเข้ามาหาใจทั้งหมดนะการปฏิบัตนะิจากนั้นมันก็จะมารู้ที่ใจเห็นที่ใจใจรู้เห็นแล้วก็มันก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนะนี่แหละทำคําสอนของ พระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาให้ปฏิบัติข อ, ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกอง์ตั้งอกตั้งใจนะภาวนาอย่างน้อยก็ให้จิตใจของเราได้รับสมาธิเป็นพื้นฐานสัก่อนพยายามทําจิตใจให้สงบแต่เอาจริงจังนะเดินโย ก, กมือจริงนะนั่งภาวนาจริงนะเก็บปวดไม่ต้องว่ากันนะอนั่ง ให้ในนานที่สุดเท่าที่จะนานได้หลายๆชั่วโมงทดลองดูเนี่ยมันไม่แตกมันไม่ตายง่ายๆหรอ ก, กร่างกายนะเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงเว้นเสียแต่ว่ามันเอมดกัดงูกัดอะไรอีกอย่างหนึ่งถ้าเรานั่งภาวนาอยู่ในมุมสงบในกุติของเราเปิดหน้าต่างเอาไว้เปิดมุ้งลวดเอาไว้เออมันมีอากาศถ่ายเทอยู่เราแตนั่งอยู่ตรงกลางเวลานั่งปวดขนาดนี้ก็เราดูดุเวทนา ที่มันเจ็บปวดอันนี้คือลูกหลานเหลนเวทนาเท่านั้นนะปู่โทษเวทนามันยังมีอีกต่อไปภายภาคหน้าอันนี้เราสู้กับลูกกับหลานมันก่อนต่อไปเนี่ยโคตรแจ่เวทนามันจะเข้ามาอีกที่มันจะบีบคอของเราบีบจมูกของเราเนี่ยจนจุดหายใจนั้นมันมีอยู่ในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าแต่บัด น, นี้เราเพียงสู้กับเวทนาหลานเหลนมันเฉยๆก็ยังสู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้ ถ้าโคดปูแส่มันมานะ่ะยโคดปูญาตายายตระกูลมันมาเวทนามาเราจะสู้ได้ยังไงเนี่นี่แหละทีแรกเราก็สู้กับแมวสะกก่อนใช่ไหมฮะต่อไปชนะแมวเราก็สู้กับลูกเสือใช่ไหมพอสู้กับลูกเสือไกิดนั่นแหละพ่อแม่เสือใช่ไม่มต้องสู้ไปเรื่อยๆ น, ะ น, นั้นกอให้พวกเราฝึกหัดสู้กับเวทนานะนี่แหละหลวงตาท่านบอกว่าผู้บาดฌานท่านบอกว่า เหนือตายนะทำมัจจิงจะเกิดนหมต้องสู้พอสมควรนะเพราะนั้นขอให้พวกเราสู้ดูนะสู้ดูนั่งไปนานๆนั่งดูใจเราดูกายดูใจพอเห็นเวทนาพอกระเทือนเวทนากระเทือนกายมันก็กระเทือนใจด้วยนะมันก็จะเห็นใจพอใจมันจะไม่ออกจากร่างที่มันเจ็บมันปวดมันก็อยู่ในนั้น่นดูเห็นดูดูเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายเห็นกายเห็นใจอยู่เยอะนะเออทีนี้ต่อมา ใจมันก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกันนะอนนขอให้พวกเราทุกทุกท่านวิธีการปฏิบัติเอตอนนี้ไปนั่งสมาธิ